สถานีวิทยุกราบกลัวข่าวสอตรอยเฟมร้อยหกข้าพเจ้าพระมหาไพบูณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนนายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็เพื่อที่ให้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคำสอนนี้ก็มาในลักษณนะที่เป็นตัวแม่บท เป็นจริงที่พระองค์ตรัสไว้บ้างมาในรูปแบบที่มีผู้ที่แต่อธิบายขยายความไว้ต่างๆบางซึ่งในคำสอนนี้มีความลึกซึ้งอยู่ตามฝังมีความลึกซึ้งมีความที่ต้องมีการแยกแยะ แ, แจกแจงถ้าเพียงดูแต่ผิวเผินก็อาจจะไม่สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาแก่นแท้ของคำสอนได้พระพุทธเจ้าจึงได้บอกสอนใน เรื่องนี้เอาไว้ทัมผูฟังว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะเพียงคิดได้ด้วยการตริตรึกบางทีก็เป็นเรื่องที่เหนือเหตุเหนือผลแต่ด้วยความที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นหละจึงทำให้เหนือจากความที่เป็นเหตุเป็นผลได้วันดีเราดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่น่าใช่แต่มันก็ จ, จะเป็นได้แต่เรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะยกมาให้ทมูฟังฟังในวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นเรื่องของ พิสุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระปิลินทวชะที่มีคำพูดคำจาไม่สุภาพมีกิริยาท่าทาบางทีทำให้คนไม่เลื่อมใสแต่ว่านั่นคือพระอรันนะคือพระอรัญซึ่งบาทีดูภายนอกอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจีตใจข้างในเป็นอย่างไรซึ่งพระปิลินทวชะเนี่ยก็มีวิรกรรมหลายอย่าง เนื้อหาส่วนที่จะให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านนั้นมีวาจาที่มันฟังดูไม่รื่นหูเท่าไหร่พิสุทธท่ายรก็โจกันอันนี้มาในธรรมบทในเป็นชนที่เป็นนิทานแล้วก็มีเรื่ององื่นอีกที่อยู่ในพระวินัยพิดกเนี่ยก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับท่านพระปีลินทวาชานี่อยู่หลายเรื่องที่เป็นต้นบัญญัติกองอาบัตในข้อต่างๆแต่นั้นคือพระอาหารหันต์นะพระอาหารหันต์ พระเอาเขยังอาศัยท่านในการที่จะปาราบเหตุที่จะบัญญัติบทวินัยต่างๆในที่นี้จให้ท่านมาฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของในธรรมบทที่เกี่ยวกับท่านพระปิลินทวัจะธรรมบทแปลเรื่องพระปิลินทวัชชะเถระภาคที่8เรื่องที่288พระศาสดาประทับ อยู่นะพระเวรุวันทรงปรารบพระปิลินทวัชเตระรัฐพระธรรมเทศนานิว่าอากก ะ, กะสังวิญญาปนิงขิรังสั จ, จังอุทีระเยยายะนาพิสาเชกันจิตามหังพระรูมิปรามนังแปลว่าผู้ใด พึงกล่าวถ้อยคาอันไม่ระคายหูอันให้รู้กันได้เป็นคำจริงอันเป็นเหตุไม่ยังไกลไกลให้กัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นบราหม์ตอนพระปิลินตวจชะใช่วาทะว่าคนถอยจนติดปากได้ยินว่าท่านปิลินตวชชะนั้นมักเรียกฤหัตและบรรพชิต ด้วยคำว่าคนถอยไปหมดว่ามาคนถอยไปกันคนถอยดังนี้เป็นต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุเป็นนันมากได้กราบทูลแก่พระศาสดาว่าก็าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปิลินทวชะเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยถ้อยคำว่าคนถอยพระศาสดาจึงรับสั่งให้ท่านมาหาแล้วตรัถามว่า ปิลินทวชชาได้ยินว่าเธอร้องเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคําว่าคนถอยจริงอย่างนั้นหรือเมื่อท่านกราบทูลว่าข้อนั้นจริงพระโชก้าพระผู้มีพระภาคได้ทรงนึกย้อนถึงบุทเพลนิวาสของท่านแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าตีเตียนภิกษุชื่อปิลินทวชชานั้นเลย ภิกษุทั้งหลายวัชชะหามีโทษะในใจเรียกภิกษุด้วยคำว่าคนต่อยไม่ภิกษุทั้งหลายภิกษุวัชชานี้กลับมาเกิดในตระกูลพรามติดต่อกันถึงห้าชาติเธอใช้คำพูดว่าคน่อยมานานพระกีณาศพจะไม่ใช้คำระคายหูคำหยาบคาย คำกระทบกระทั่งชนเราอื่นเลยแต่จริงบุตรของเราพูดเช่นนั้นมาจนเคยชินเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคถานี้ว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูซื่อความกันได้เป็นคำจริงไม่ทำใครใครให้ขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราม บาลีว่าอากะกักกะสังวิญญาปนิงคีรังสัจจังอุทิระเยยายะนาพิสะเชกันจิตะมะหังพะรุมิปราม m a n ังในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอากะกักกะสังแปลว่าอันไม่ระไายหูได้แก่คำไม่หยาบ คำว่าวิญญาปนิงแปล ว, ว่าซื้อความกันได้ได้แก่ให้รู้ใจความกันได้คำว่าสัจจังแปล ว, ว่าเป็นคำจริงได้แก่เป็นเนื้อความอันเป็นจริงคำว่านาภิสาเชแปล ว, ว่าไม่ทําไกรไกรให้ขัดใจหมายความว่าบุคคลไม่พึงอย่างบุคคลอืน่น ให้ข้องใจโดยทำให้เขาโกรธด้วยถ้อยคําอันใดพระกีณาศพพึงกล่าวถ้อยคําเช่นนั้นเท่านั้นปพระเหตุนั้นเราจึงเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามในเวลาจบเทสนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัติพนเป็นต้นนั่นนี้แหละเรื่องพระปิลินทวัชเตระจบในเรื่องที่สอง ที่จะให้ฟังต่อไปนี้กอเป็นลักษณะคล้ายๆกันตามฝังที่เราจะมาดูแต่เพียงภายนอกมันมีที่เหนือกว่านั้นที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเรืที่2นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พราามณ์คนหนึ่งก็าไปไหว้เทวสถานแห่งหนึ่งแต่ซึ่งเทวสถานเนี่ยบางคนก็จะเหมือนกับสารเจ้าเหมือนกับตีจูเอียเหมือนกับสารพระภูมินี่แหละ ถ้าบอกวบุคคลที่มีความลงใจมั่นใจเชื่อัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งคือจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่การไหว้นั้นไม่ได้ว่าจะให้ต้องการบรรลุมรรผลนิพพานแต่ก็เป็นการบูชาการกราบไหว้บุคคลที่ควรบูชาทำไปตามประเพณีไปแต่ไม่ได้จะเอาสิ่งนั้นเป็นที่จะให้ถึงนิพพานอย่างไรแต่คนที่เขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อย่างสูงสุดแล้วเนี่ยเขจะมีจิตใจเป็นแบบนี้ทีนี้ในเรื่องราวที่จะให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สองนี่ก็เป็นเรื่องของพราหม์คนหนึ่งที่เขาไปไหว้เทวสถานแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้ากลับรับรองกับพราห์คนนี้ว่าเออทำดีแล้วแต่ซึ่งไม่ได้เคยรับรองเรื่องนี้ที่ไหนเลยมีแต่พูดถึงการที่พึ่งสิ่งที่มันเป็นบุขเขาท้องฟ้าเจดีรุกขเจดีพวกเนี้ย ว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ที่พึ่งกเกษมต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้าวแต่ทําไมคราวนี้ถึงบอกไหว้เทวสถานเป็นรุ ก, กเจดีแบบนี้แล้วมันถึงดีขึ้นมาเออคําเฉลยในคําตามในข้อนี้ก็เราะว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของเจดีของพระพุทธเจ้าองค์คนก่อ น, อนหรือพระกัสปะพระพุทธเจ้า ามาฟังเรื่องเจดีทองของพระกัสสปะสมมาสมุทรเจ้าเราจะได้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งที่มีความละเอียดอ่อนมีความแยกคายลงไปอีกในยัหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องพระเจดีทองของพระกัสสปะโทศพล์ภาคที่6เรื่องที่หบพระาศาสดา เมื่อเสด็ จ, จาริกไปทรงปรารบพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะโศสลนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปูชาระเหเป็นต้นความพิสดาลว่าพระตถาคตเจ้ามีพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นพุทธบริวารเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีแล้วเสด็จไปเมืองพราราณสีโดยลำดับ จะได้ถึงเทวสถานแห่งหนึ่งในที่ใกลบ้านโตตยคามในระหว่างทางพระสุกเจ้าได้ประทับใกล้เทวสถานนั้นทรงส่งพระธรรมพันธาขาริกคือท่านพระอ น, นุ์ผู้เป็นขุนคลังแห่งธรรมะให้บอกปรามซึ่งกำลังทำกสิกรรมอยู่ในที่ไม่ไกลมาเฝ้าปรามนั้นมาแล้ว ไม่อภิวาทแด่พระตถาคตแต่ไหว้เทวสถานนั้นอย่างเดียวแล้วยืนอยู่แม้พระสุขตเจ้าก็ตรัสว่าพรามท่านสำคัญสถานที่นี้ว่าเป็นที่อะไรพรามจึงกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโกลมผู้เจริญข้าพระเจ้าไหว้ด้วยตั้งใจว่านี้เป็นเจติยสถานตามประเพณีของพวกข้าพระเจ้า พระสุกตเจ้าจึงให้พราหมณ์นั้นชื่นชมยินดีว่าพราหมณ์ท่านไหว้สถานที่นี้ได้ทํากรรมที่ดีแล้วปิษตองหลายเมื่อได้สดับพูดดั่งตำรัดนั้นแล้วจึงเกิดสงสัยขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พราหมณ์ยินดีชื่นชมยินดีอย่างนี้ด้วยเหตุอะไรเนาะแล่ตำรัดนั้นพระตถาคตเจ้า เพื่อทรงปลดเปลื้องความสรงสัยของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสเทศนาคติการาสูตรในมัชฌิมานิกายแล้วส่งเดรมิตรพระเจดียทองของพระกัสปะทศสพลสูงยอดหนึ่งและพระเจดียทองอีกหนึ่งองค์ไว้ในอากาศส่งแสดงให้มหาชนเห็นแล้วแล้วจึงตรัสว่า พระมการบูชาซึ่งบุคคลควรบูชาชนิดนี้ย่อมสมควรกว่าแท้ดังนี้แล้วจึงทรงประกาศปูชาราระบุคคลสี่จำพวกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยในดังที่ตรัสไว้ในมหาปริณิพนา์สูตรนั่นเองแล้วทรงแสดงโดยพิเศษถึงพระเจดีย์สามประเภท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 บาลีว่าปูชาระเหปูชยาโตพุเทยะทิจะสาวเกปะปัญจะสามาติ ก, กันเตตินนะโสกะปริทัเวเตตาทิเสปูชยาโตนิพุเตอักุโตพะเยนะสั ก, กาปุญญังสังขาตุงอิเมต ตมะปิเกณจิก็บุคคลผู้ควรเพื่อบูชาอธิบายว่าผู้ควรแล้วเพื่อบูชาชื่อว่าปูชาระเหบุคคลในพระคาถานั้นคำว่าปูชาระเหบปูชยโตแปลว่าของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาหมายความว่า ผู้บูชาอยู่ด้วยการนอบน้อมมีกราบไหว้เป็นต้นและด้วยปัจจัยสี่พระผู้มีพระพากยเจ้าทรงแสดงปูชาระหบุคคลด้วยคำว่าพุทธะส่วนคำว่าพุทเถแปลว่าพระพุทธเจ้าได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัพนิบาต ท, ที่ว่ายทัทิได้แก่ยะทิวาอธิบายว่า อาธวาหมายความว่าก็หรือว่าคาว่าซึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นนันตรัสไว้ในพระคถานั้นหรือว่าพระสาวกทั้งหลายด้วยส่วนคาว่าปะปัญจสมติกันเตแปลว่าผู้ก้าวล่วงปะปัญจะทำได้แล้วหมายความว่า ปปัญจธรรมคือตัณหาทิฏฐิมานะท่านก้าวล่วงได้แล้วคำว่าติ น, นะโศกะปริทัเวแปลว่าผู้มีความเศร้าโศกความร่ำกรวนอันข้ามบนแล้วได้แก่ผู้มีความโศกและความร่ำไรอันล่วงบนแล้วอธิบายว่าข้ามล่วงได้ทั้งสองอย่าง ความเป็นผู้ควรแกบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้ารักด้วยบทวิเศษนะคือคำคุณบทเหล่านั้นคำว่าเตแปลว่าเหล่านั้นได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นคำว่าตาทิเสแปลว่าผู้เช่นนั้นได้แก่ผู้ประกอบด้วยกุนเช่นนั้นด้วยอำนาจแห่งกุณดังกล่าวแล้วคำว่า นิพพุเตแปลว่านิพานแล้วได้แก่นิพานด้วยการดับกิเลสมีราคาเป็นต้นัยแต่ที่ไหนนคือจากพบหรือจากอารมณ์ย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ควรบูชาเหล่านั้นฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่มีไยแต่ที่ไหนหนซึ่งท่านผู้ไม่มีไยแต่ที่ไหนนเหล่านั้นคำว่า นะสา ก, กาบุญยังสังขาตุงแปลว่าอันใครใคไม่อาจเพื่อจะนับบุญได้หมายความว่าไม่อาจเพื่อคานวณบุญได้หากมีคําถามสอดมาว่านับอย่างไรพึงแก่ว่าอันใครใคไม่อาจเพื่อนับบุญว่านี้มีประมาณเท่านี้อธิบายความว่าอันใครใคไม่อาจเพื่อจะนับว่า บุญนี้มีประมาณเท่านี้บุญนี้มีประมาณเท่านี้อภิสับปึงเชื่อมในคําว่าเกณฑ์จีอธิบายว่าอันบุคคลไร่ไรหรือว่าด้วยการนับวิธีไร่ไรในสองคำนั้นคําว่าบุคเลนะแปลว่าอันบุคคลได้แก่อันบุคคล น, นั้นมีพระพรมเป็นต้นคำว่าด้วยการนับ ได้แก่ด้วยการนับสามอย่างคือด้วยการคะแนด้วยการช่างและด้วยการตวงการคะเนนโดยนัยว่าของนี้มีประมาณเท่านี้ชื่อว่าคะแนการช่างด้วยเครื่องช่างชื่อว่าช่างการทําให้เต็มคือตวงด้วยสามารถแห่งกึงฝ่ามือฝ่ามือหนึ่งแล่งและทนานเป็นต้น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 บุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ยังทรงประชนอยู่ใครๆไม่อาจนับได้ก็พอตํนาว่าแต่บุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้เช่นนั้นแม้นิพานแล้วด้วยคันท่ปรินิพานอันมีกิเลสปรินิพานเป็นนิมิตใครๆก็ไม่อาจนับได้อีกเล่าเพราะฉะนั้นควนแตกต่างกันบ้างประเหต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 ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพรามนั้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วแหละพระเจดีย์ทองสูงหนึ่งยอได้ตั้งเด่นอยู่ในอากาศนั่นแหละตลอดเจดวันก็สมาคมได้มีแล้วด้วยชนเป็นอันมากพวกเขาบูชาพระเจดีย์ด้วยประการต่างๆ ต, ต, ตลอดเจ็ดวันแล้วต่อ น, นั้นมาความแตกต่างแห่งลทัทธิของผู้มีลทัทธิ ต่างกันได้เกิดมีแล้วพระเจดีย์นั้นได้ไปสู่ที่เดิมแห่งตนด้วยพุตธธานุภาพในขณะนั้นพระเจดีย์ศิลาใหญ่ได้มีขึ้นแล้วในที่นั้นนั่นแหละประชาสัตย์8ป0 0พันได้บรรลุ ธ, ธรรมะพิสมัยคือตรัสรู้ธรรมแล้วในสมาคมนั้นเรื่องพระเจดีย์ทองของพระกาศป่าทศพล ในเรื่องที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องของเจดีทองของพระกัปสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้อันนี้ก็เป็นหลักฐานในชั้นที่สองมาทั้งหมดเป็นหลักฐานในชั้นที่สองมาคือหมายความว่าเราก็ต้องเอาเรื่องที่เป็นพุทธพจน์นั้นเป็นตัวตั้งเป็นตัวบทเริ่มก่อนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีพระพุทธพระตัรมพระสงค์เป็นที่พึ่งรู้กว่าเจดีต้นไม้ภูเขาอันนี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษม นั่นคือเอวันนั้นก่อนคือไม่ใช่ว่าพอเราไปฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็เที่ยวพูดไปละเออตรงนี้มันต้องเป็ น, น, น, น, นอันนั้นมาแน่เลยตรงนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมาแน่เลยคือบางทีเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปเมารวมอย่างนั้นได้หรือไม่แต่นี่คือกรณีที่พระพุทธเจ้าท่านทราบมาก่อนนั่นก็จึงบอกไว้อันนี้ก็เป็นที่เดียวเองที่มีในทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยที่พูดถึงว่าให้มีการบูชาเทวสถานได้และรับรองว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจริงๆแล้วมันปรากฏเป็นเจดีของพระกัสปะสมมาสมุทชาอย่างไรก็ตามนี้เป็นหลักฐานในชั้นที่สองคือส่วนที่เป็นอัตกตาหมาในเรื่องที่สามในวันนี้ทุมผู้ฟังก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราดูผิวเผินภายนอกจะไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าไอคนนี้เขาเก่งหรือไม่เก่งอย่างไรดูภายนอกโอ้โหมีความรู้ต่างๆดีเลิศรู้แต่ ข้างในกลับไม่มีอะไรเป็นคนกลวงก็มีหรือดูภายนอกแม้เป็นสามเณรตัวนิดเดียวโอ้แต่คุณธรรมข้างในเป็นพระอาหารหันต์แต่มีจิตสูงหมดแล้วซึ่งกิเลสแบบนี้ก็มีในเรื่องที่สมในวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องของพิกสุรูปหนึ่งที่มีความรู้ทั้งพระไตรปิฎกเลยแต่ว่าเป็นคนกลวงอยู่ข้างในยังไม่ได้ ท, ำทํำนิพพานให้แจ้งได้ส่วนสามเณร รูปหตัวเล็กๆนั่งอยู่เป็นคนสุดท้ายท้ายแถวเพื่อนแต่สามารถที่จะสอนธรรมะให้กับภิกษุรูปนี้บรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าโปติละที่ต้องไปเรียนธรรมะจากสามเณรและเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้วันนี้ก็ขอลาไปเลยแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องของพระโปติละเถระธรรมบุตร แปลเรื่องที่208ภาคที่7เรื่องพระโปติละเทระพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวันทรงบรารพพระเทระนามว่าโปติละตรัพระธรรมเทศนานิว่าโยคาเวชายติปุริอโยคาภูริสังคโย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 พึงตั้ง ต, งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้ตอนความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดดังได้สดับมาพระโปติละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตปิฎกในาศาสนาของพระพุทธเจ้ามาแล้วเจ็ดพระองค์บอกธรรมะแก่ภิกษุห้ารอยรูปพระาศาสดาทรงดำรีว่า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 ลูกไปก็ตรัสว่าคุณไบลานเปล่าไปแล้วพระโปติลานันคิดว่าเราส่งไว้ซึ่งพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาสอนธรรมะแก่พิสุทธิห้รอรูปถึงสิปคณะใหญ่ถึงกระนั้นพระศัสดายัางตรัสเรียกเราบ่อยๆว่าคุณไบลานเปล่าพระศัสดาตรัสเรียกอย่างนี้ เพราะเราไม่มีคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นแน่แท้ท่านจึงเกิดความสังเวชขึ้นแล้วจึงมีความคิดว่าต่อไปนี้เราจะเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมอย่างนี้จึงได้จัดแจงบาทและจีวรเองทีเดียวออกไปพร้อมกับภิกษุผู้เรียนธรรมคนสุดท้ายผู้ออกไปในตอนใกล้สว่างพวกภิกษุ นั่งสาตยาอยู่ในบริเวณนั้นไม่ใส่ใจว่าเป็นอาจารย์พระเตระไปสิ้น120่งยโยต์แล้วเข้าไปหาภิกษุสาสรูปผู้อยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆาเตระ ท, ที่นั่นแล้วกล่าวว่าท่านขรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมด้วยเถิดพระเตระในที่นั้นกล่าวว่าผู้มีอายุท่านเป็นพระธรรมกึก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 ลำดับนั้นพระมาเทระในที่นั้นจึงส่งพระโปติระนั้นไปหาพระอนุเตระด้วยคิดว่าเพระอาศัยการเรียนพระรูปนี้มีมานามากทีเดียวก็แม้พระอนุเตระนั้นก็บอกพระโปติระอย่างนั้นเหมือนกันพระเตระทั้งหมดส่งท่านไปโดยํำนานนี้จนไปถึงสามเณร อ, อายุเจ็ดขวบ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 สามเณรตายจริงท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านเป็นคนแก่เป็นพระหูสูตรผมควรเป็นฝ่ายเรียนกับท่านพระโพธิละท่านสัตบุุรท่านอย่าทำอย่างนี้ท่านจงเป็นที่พึ่งของผมให้ได้สามเณนท่านก็รับหากท่านอดทนคำสอนได้ผมจะเป็นที่พึ่งแก่ท่านพระโพธิละผมอดทนได้ท่านสัตบุุร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 แม้รู้ว่าพระเทระห่มจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากแต่เมื่อจะทดลองว่าพระเทระจะอดทนคําสอนได้หรือไม่ดังนี้จึงบอกอย่างนั้นฝ่ายพระเทระก็ลงสะด้วยคําสั่งเดียวเท่านั้นลำดับนั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสาม่เนเนรจึงกล่าวกับท่านบ่าขึ้นมาแตกรับ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 ในทวารทั้งหกก็เหมือนกันท่านจงปิดทวารทั้งห้าที่เหลือเริ่มตั้งการกระทาคือกรรมฐานนี้ไว้ในมโนทวารทางเดียวอย่างนี้ด้วยคำแนะนำเท่านี้ความแจ่มแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรดุดดวงประทีปลุกโผงขึ้นฉะนั้นพระโปติละนั้นพูดว่าท่านสัจ บ, บรุษ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 ที่ปัญญาจะเจริญบรรด า, ารมเหล่านั้นคาว่าโยคาแปลว่าเพราะการประกอบหมายความว่าเพราะทำไว้ในใจโดยแยบกายในอารมณ์38คําว่าผูริคือปัญญานั้นเป็นชื่อแห่งปัญญาอันกว้างขวางเท่าแผ่นดินส่วนคาว่าสังคโยคือความเสื่อมไปคือความพินาศ คำว่าเอตังทเวทาประถังคือทางสองถังนี้ได้แก่การประกอบและการไม่ประกอบนั้นคำว่าพระวายะวิพะวายะจะคือแห่งความเจริญและความเสื่อมได้แก่แห่งความเจริญและความไม่เจริญคำว่าตถัตะะตานังคือตนโดยวิถีทาง